วิธีขอการอุปสมบทภิกษุทั้งหลายก็อุปสัมปทาเปรคขะพึงขออย่างนี้อุปสัมปทาเปรคขะพึงเข้าไปหาสงห่มอุตราสง์เฉวียงบ่าข้างหนึ่งกับเท้าภิกษุทั้งหลายนยั่งประยงประนมมือกล่าวคําขอการอุปสมบทอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าขอการอุปสมบทต่อสง์ของสงโปรดอนุเคราะยกข้าพเจ้าขึ้นเถิดเจ้าข้า พึงขอแม่ครั้งที่สองพึงขอแม่ครั้งที่สามภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติจตุตรกมวาจาว่า